ผมว่าดำเนินการตามข้อสีครับการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่ก็ใชแพ้ย์ธรรมสมควรแก่ธรรมครับแล้วบางทีเราพูดพูดไปเนี่ยมันก็มันก็ไปตามน้ำอย่างเงี้ยนะครับธรามาก็จะไปตามน้ำไปเรื่อยอก็ก็เรียกว่าไม่ไม่ต้องเกรงใจใครมากนักหรือว่าไม่ต้องถูกเซ็นเซอร์อะไรทํานองนี้นะครับสบายใจได้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 ดีขึ้นศาสตร์ขึ้นสูงขึ้นเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตอย่างเงี้ยครับครับโอครับก็ขออนุมโมทนาท <c oughs> ีนี้ประเด็นที่ต้องการจะพูดถึงในวันนี้ครับจะมีเรื่องที่ทิ้งประเด็นไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับเรื่องของอะไรเรื่องอะไ ร, ร, ออะไรปฏิจจสมุมบาทกับวิมุติอืซึ่งท่านไภัยบุญทิ้งไหมว่าเอ๊ะ ติดจะสมมุบาทที่เราที่เราได้ยินได้ฟังหรือศึกษามานเนี่ยก็จะกล่าวถึงขั้นตอนการเกิดขึ้นการดับไปขั้นตอนต่างๆเอ๊แล้วจะเข้าวิมุตได้ตอนไหนอันนี้มาเจาะตรงนี้กันดีไหครับดีดีดดดก็คือมีอยู่ในพุทธปรชนะที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ก่อนว่าความทุกข์เนี่ยมันเริ่มมาจาก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 ศรัท ธ, ธาจะมีได้เนี่ยคนที่จะมีศรัท ธ, ธาถ้าเขาต้องมีทุกแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าคนที่มีทุกทุกคนจะมีศรัท ธ, ธาได้อะต้องพูด อ, อ, อย่างนี้ถึงจะถูกใช่ไหมครับคนที่มีศรัทธาทุกคนแสดงว่าเขาต้องเห็นทุกมาก่อนอ่าครัโอเคอย่างนี้การที่จะเห็นทุกขว่าเป็นอยุดเจอความทุกข์แล้วจะเห็นจะเกิดศรัทธาก็ต้องใช้ปัญญาไหมครับในกระบวนการตรงนี้เพราะว่ามีมีอีกบางคนอีกอีกเยอะเลยที่ไม่เห็นใช่ไหมครับใช่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 สิ่งสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่งมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีเจ็ดอย่างอืมก็คือแยกย่อยอาการของการเกิดและการดับก็ผ่านต้องผ่านการเสือ่อมกันอะไรต่างๆเจ็ด อ, อย่างนี้ก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคําพร้องความหมายซึ่งกันและกนันอ๋อครับเป็น ค, ความพร้องความหมายซึ่งกันและกันในทั้งหมดเจดอาการนี้ครับนี่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 ทำไมเรามีศรัทธาแต่เราไม่เห็นมีความสบายใจไม่มีความสุขเลยคุณต้องทำให้เต็มก่อนพอคุณทำเต็มแล้วใช่ไหมมีปีติมีสุขละอ่ะอทำไมฉันก็มีความสุขฉันไม่เห็นมีสมาธิเลยอ้าวทำให้เต็มก่อนอแต่มีสมาธิแล้วฉันก็มีสมาธิแล้วนั่งจิตสงบแต่ทาไมไม่เห็นตามที่เป็นจริงเลยเอาก็ทำให้เต็มเป็นลำดับลาดับไปอย่างนี้เพราะเห็นตามที่เป็นจริง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 ไม่ได้เลยแม้เม็ดฝนเม็ดเดียวก็สำคัญเหมือนกันที่หลวงพ่อด็อกเตอร์สาดเคยเล่าให้ฟังนะที่หนองหานตอนนั้นเนี่ยฝนตกฝนตกสามวันสามคืนไม่หยุดเลยนะ<อ>น้ำท่วมถึงเอวนั่นนะ่ะครับเพรมันแค่ตกทีละเม็ดเองนะหม<อ>ตกทีละเม็ดมต่อเนื่องต่อเนื่องอสวันแล้วมันไม่หยุดแล้วมันเรื่อยๆโอ้โหน้าท่วมขนาดว่ากกเกษตรกรรมอะไรต่างเสียหายไปมาก เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องนิดนิดหน่อยหน่อยเราก็เอาเก็บ oh. นะอย่าเห็นโทษให้เห็นโทษในภายแม้เพียงเล็กน้อยอ oh. ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้หยิบฉวยได้ไวในกุศ ล, ลธรรมอันนี้ตรงคือคือประมาณนี้ไหมครับว่าคืออะไรก็ได้เอาไว้หนึ่งนาทีห้านาทีให้หยิบฉวยไว้ที่มันเป็นกุศลอย่างนี้ใช่ไหมครับ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 ความเพียร น, นี้เป็นสิ่งที่เราต้องกระทำ ม, มากมากเลยต้องสะส ม, มครับเพราะฉะนั้นด้วยอาการอย่างนี้แหละที่เรียกว่าคนที่ทําทความเพียรก็เรียกว่าเป็นลําดับขั้นของการาเกิดขึ้นนะเหตุปัจจัยที่จะทําให้ไปถึงมีมุตได้เช่นเดียวกันไอ้พวกปีติปสัสสติสุขสมาธิต่างๆเนี่ยก็เป็นคู่คู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องอคู่คู่คในลักษณะที่ว่า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 แล้วจากทุกไปสัทธาสัทธาไปปรโมดปีติประสาทิเนี่ยไปอีกสิบสองอาการจนกระทั่ง<อ>ถึงวิมุตต์ louder, ผมยังอ่านไม่เจอครับต้องไปสืบค้นต่อโอเคก็คือเป็ น, อ น, ปนพอเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะพบเลยโอ้โหทางออกมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่วิมุตต์เกิดนะอวิชาดับทันทีเมื่อไหร่ที่วิมุตต์เกิดนั่นคือวิชาเกิดวิชาเกิดก็คืออวิชาดับอวิชาดับเนี่ยมันก็คือคือ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 ศรัทธาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คํานี้นะให้ชัดเจนพระพุทธเจ้าบอกว่าศรัทธาเนี่ยต้องเขาเรียกว่าปลูกศ ร, รัทธาสรรพนามที่เขาเรียกว่าอะไรคํากิริยาที่ใช้กู่กับศรัทธ า, าจะต้องใช้คําว่าปลูกศรัทธาปลูกนี่เห็นภาพเลยนะครับ <C' est S 1> คือต้องทํานอกจากปลูกแล้วจะต้องทําให้งอกงามด้วยปลูกเนี่ย ค, คุณจะปลูกอะไรคุณต้องเพาะต้นกล้าพรวนดินใส่ปุ๋ยลดน้ำให้ถูกแดดให้บังแดดโอ้โหมัน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 พระเจ้าก็บอกว่าอถ้าไม่ถามเองให้คนอื่นฝากคนอื่นถามก็ได้ครับอย่ามาต้องเดือดร้อนใจว่าอยู่ต่อหน้าพระภักพระผู้มีพระภาคแล้วไม่มีโอกาสถามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าก็เลยพระเจ้าพูดอย่างนี้นะอัตมาก็อ่านแล้วรู้สึกซึ้งก็เลยเอามาใช้บ้างออันนี้พุทธวัจนะอันนี้กับที่ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาณนี้อันนี้ต่อเนื่องกันไหมครับเพราะว่าเหมือนกับว่า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 แปดโมงเช้าหลังเข้ารับพงชาติคแต่อันนี้อาตมาก็จะรับเฉพาะสัปดาห์ที่สามกับสัปดาห์ที่ห้าอ๋ออาทิตย์สัปดาห์ที่สกับห้าแต่ของท่าน<ป>อื่นก็จะมีนะทุ ก, ทกสัปดาห์อยู่แล้วของท่านาพระราญานวิสิทธ์สัปดาห์ที่หนึ่งของอาจารย์อนิลมาวัตรวัดบวรสัปดาห์ที่สองและสี่ของอาตมาพระไพวุลสัปดาห์ที่สามกับห้า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 เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีข้อมูลเท่านี้สัปดาห์หนะ้าเราจะมาพูดถึงเวลาที่เรากโกรธหรือเวลาที่เราทําอะไรไม่ดีลงไปเนี่ยบางคนคบอกว่าฉันก็มีสติรู้ตัวอยู่ ม, มีสติรู้ตัวอย่างเช่นโกรธ ด, ด่าลูกอย่างเงี้ยนะหรือว่าด่าเพื่อนร่วม ง, งานอย่างงี้นะหรือคใครมาทําอะไรขัดใจรู้สึกงึ ด, ง ด, งดนิดนึงอย่างเงี้ยนะแต่รู้ตัวนะรู้ตัวนะว่าไม่พอใจรู้ตัวนะว่าด่ารู้ตัวนะว่าว่าจี๊ดนะ่ะแต่ทําไปแล้ว ไปแล้วทำไมมีสติหรือเปล่าหรือไม่มีสติเอ๊ะทำไมทาไมด่ดีตรงนี้เราจะมาตีแผ่กันให้เข้าใจในอเอพิโซดที่ยี่สิบอันนี้เอพิโซดที่สิบเก้าก็ลากันไปก่อนครับก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนำสักการพระอาจารย์ไผบูรณ์พิปุโ น, โนครับนนครับครับครั บ, บรบกลับ้าการผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ